ทำไมพวกเราจึงต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเหมือนคนตาดีคนตาบอด ย่อมไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเมือนได้เหมือนกับคนตาดีจะไปไหนมาไหนโดยลำพังย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีคนตาดีนำทางไปฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนคนตาดีพระอริยสงสาวกก็ เป็นเหมือนคนตาดีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวบกทั้งหลายก็ดี ท่านรู้ท่านเห็นในสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นท่านรู้ว่าเราเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรพ ar ระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราทั้งหลายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายที่พวกเรามีกันอยู่นี้ เป็นเครื่องมือของเราเป็นคนรักใช้เราตัวเรานี้คือใจที่เราไม่รู้จักกันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่ามีลักษณะอย่างไรไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรจะมาอย่างไรมีพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกเท่านั้น ที่ท่านรู้ว่าใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเป็นสิ่งที่จะไปอยู่ในภพต่างๆต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วและรู้ด้วยว่าการที่ใจของเราต้องไปอยู่ในภพต่างๆนั้นเกิดจากอะไร และรู้ด้วยว่าใจของพวกเรานี้ทำไมยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่และรู้ด้วยว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ใจของพวกเรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งต่างๆที่พวกเรานี้จะไม่มีวันรู้ได้เลย ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะรู้แต่เรื่องของร่างกายรู้แต่เราจะรู้แต่เรื่องของสิ่งที่ร่างกายสามารถจับต้องได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเช่นลาบยศจันรเสรริญนลรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเราจึง หาสิ่งต่างๆที่เราสามารถที่จะเห็นได้จับต้องได้แต่สิ่งต่างๆที่เราหาได้จับต้องได้ด้วยด้วยร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้ความสุขเราได้ตลอดเวลาจะต้องมีเวลาที่มันจะเสื่อมหรือเปลี่ยนไปหรือหมดไป เวลานั้นความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆมันก็จะหายไปแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมีความรู้สึกเศร้าหมองมีความรู้สึกหดหู่ว้าเวมีความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆเมื่อเรามีความรู้สึกเหล่านี้ เราก็จึงต้องไปหาสิ่งต่างๆที่เราเคยมีมาทดแทนสิ่งที่เราได้สูญเสียไปเพื่อที่เราจะได้มีความสุขต่อไปแต่ช่วงที่ต้องไปหาสิ่งที่เราสูญเสียหรือสิ่งที่เราไม่มีช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราต้องอต่อสู้ต้องพยายาม ขวนขวายหาสิ่งที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเราช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เป็นความทุกข์ในอีกรูปแบบหนึ่งทุกในการแสวงหาแล้วพอเราได้สิ่งที่เราอยากได้มาเราก็ได้ความสุขพร้อมกับความห่วงใยพร้อมกับความโงแหวนเพราะสิ่งที่เราได้มาเราย่อมรัก ย่อมมีความห่วงย่อมมีความห่วงก็เป็นความทุกข์อีกรูปแบบหนึง่งแล้วไม่ว่าเราจะดูแลรักษาอย่างใรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันไปอีกไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายตอนที่ร่างกายที่เราได้มาจะต้องจากเราไปพอเราสูญเสียร่างกายไป สิ่งต่างๆที่เราหามาได้ผ่านทางร่างกายก็ต้องสูญไปหมดถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องเก่าเกี่ยวกับจิตใจของเราเราก็จะคิดว่าชีวิตของเราได้มาสู่จุดสิ้นสุดแล้วคือการสิ้นสุดของร่างกายไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะเรา เห็นตัวเราว่าเป็นร่างกายเห็นว่าเราเป็นร่างกายเห็นว่าร่างกายเป็นเราเราก็จะคิดว่าชีวิตของเราก็ยุติลงด้วยการสิ้นสุดของร่างกายการกระทำต่างๆที่เราก็ททำมาไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ไม่มีผลต่อชีวิตเราแล้ว จะมีก็ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นเช่นถ้าเราทําความดีเราก็อาจจะได้รับรางวัลได้รับการยกย่องชมเชยสันเสริญนถ้าเราทําชั่วทําไม่ดีเราก็จะได้รับการลงโทษตําหนิติเตียนประนามแต่พอเราตายไปแล้วพอร่างกายนี้ตายไปแล้ว ก็ไม่มีใครจะมาเรารับรางวัลต่อไปหรือมารับโทษของการกระทำดีหรือของการกระทำไม่ดีของเราต่อไปเพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเมื่อร่างกายจบเราก็จบไปกับร่างกายแต่พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกนี่ท่าน กลับเห็นว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเราเป็นใจที่เป็นนายของร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายก็ทำการต่างๆทำกิจกรรมต่างๆแล้วเวลาทำแล้วใจก็ มีส่วนรับผลของการกระทําของทางร่างกายด้วยร่างกายก็มีส่วนรับผลจากการกระทําของร่างกายด้วยเช่นทำความดีบางก็อาจจะได้รับรางวัลได้รับการตอบอตอบสนองด้วยการให้รางวัลด้วยการประกาศเกียรติคุณต่างๆ หรือถ้าทำไม่ดีก็ต้องจับถูกจับไปลงโทษด้วยวิธีการต่างๆถูกจับขังคุกถูกจับปรับปรับทรัพย์สินสมบัติอันนี้เป็นส่วนที่เราเห็นกันแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราไม่เห็นคือส่วนที่เกิดขึ้นที่ใจคือเวลาเราทำความดี ใจเราจะมีความสุขและเวลาที่ใจเราทำความไม่ดีทำบาปทำผิดกฎหมายทำโทษทำสิ่งที่เป็นโทษนอกจากร่างกายจะรับโทษแล้วใจก็รับโทษด้วยรับรับโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้โทษกับใจหรือให้คุณกับใจการกระทำของใจเองนี่แหละที่ใช ที่ผ่านทางร่างกายนี้แหละที่จะให้คุณให้โทษกับใจทันทีไม่ต้องมีใครมาให้คุณให้โทษด้วยคือพอทำดีใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาพอทำไม่ดีใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สังเกตกันไม่ไม่มองกันจึงเหมือนกับไม่เห็นกัน เราก็คิดว่ามันมาควบคู่กับการกระทำกับการได้รับรางวัลหรือได้รับโทษทางร่างกายเช่นเวลาร่างกายได้รับรางวัลจากการทำความดีเราก็ดีใจไปกับใจของเราก็มีความสุขไปกับการรับรางวัลของร่างกายหรือถ้าเราทําผิดทำชั่วทําไม่ดี เวลาร่างกายถูกจับไปลงโทษใจเราก็ทุกไปกับร่างกายเราคิดว่ามันมาด้วยกันเราคิดว่าเป็นส่วนเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันเป็นสองส่วนซึ่งบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดแต่ส่วนหนึ่งอาจจะไม่เกิดก็ได้เช่นเวลาเราทำความดีอาจจะไม่ได้รับรางวัลก็ได้ไม่มีใครรู้ใครเห็น การกระทําความดีของเราแต่การกระทําความดีของเรานี้มันส่งผลที่ใจเราทันทีมันทําให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มเอิบใจมีความสบายใจมีความภูมิใจมีความเบา อ, อกเบาใจอันนี้มันเกิดขึ้นโดยที่ถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เราจะไม่เห็นถ้าเราไปรอดูผลที่ จะได้เกิดทางร่างกายเราก็จะไม่รู้ว่าเราได้รับผลจากการทำความดีแล้วคือความสุขใจอิ่มใจเราก็อาจจะเกิดความท้อได้ว่าเอ๊ะทำความดียังไม่ได้รับรางวัลสะทียังไม่ได้ขึ้นเงินเดือนยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเลยนี่ถ้าเราไปมองผลทางร่างกายมันก็จะทำให้เราเกิดความสับสนได้ว่า ทำดีแล้วได้ดีจริงหรือเปล่าทำชั่วได้ดีมีถมไปมีคําพูดที่ว่าทำดีไม่ได้ดีทำาชั่วได้ดีมีถมไปเพราะเรามองผลที่ทางทางร่างกายคนทำาชั่วกลับได้ดีเช่นคอร์รัปชันโกงกินแต่กลับร่ำรวยเพราะว่าเป็นการทำาชั่อ แต่ผลทางร่างกายมันทำให้ร่าให้รวยทำให้เป็นใหญ่เป็นโตได้เวลาสอบเพื่อชิงตาแหน่งก็โกงกันอย่างนี้มีข้อสอบหรือมีใต้ใตโต๊ะจ่ายเงินคนตรวจข้ อ, ขอสอบอนี้เขียนผิดทำผิดก็ทำให้ถูกได้สอบตกก็ทำให้สอบผ่านได้อย่างนี้ก็ได้ดิบได้ดีกัน ทางร่างกายจึงไม่ใช่เป็นผลวัดที่แท้จริงเป็นเป็นผลที่อาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่ผลที่เกิดขึ้นมาในใจก็คือทำาชั่วทำผิดมันจะไม่สบายใจมันจะมีความรู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวงอันนี้เป็นเรื่องของใจที่เรา มองไม่เห็นกันหรือไม่รู้จักมองกันเราคอยไปมองอยู่ที่ผลทางร่างกายเราก็เลยไม่เชื่อผลทางจิตใจไม่รู้ว่ามีผลทางจิตใจนอกจากผลที่เกิดจากการกระทำในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่แล้วยังมีผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วด้วย ก็คือการไปเกิดในภพต่างๆนี่เองใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี่ใจยังไปต่อไปอยู่ในภพอื่นต่อไปตามกฎแห่งกรรมภพชาตินี้จะมีหลายภพชาติด้วยกันแบ่งเป็นสองซีกด้วยกันซีกหนึ่งเรียกว่าสุขคติ เอกซีกหนึ่งเรียกว่าทุกขติหรืออบายอบายก็มีอยู่สี่จำพวกคือเดชะฉานเปรตอสุรกายนรกนี่เป็นที่ไปของผู้กระทําบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วส่วนสุขติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆและพบของมนุษย์เรียกว่าสุขติถ้าตาย ตายไปแล้วผู้ที่ไม่ได้ทําบาปก็จะไปในส่วนนี้ไปเป็นมกลับไปเป็นมนุษย์ใหม่ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลนี่ก็เรียกว่าพบพบต่างๆที่ถามว่าตายแล้วไปเกิดทันทีไหมไปเกิดทันทีแต่ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีแต่พราะมนุษย์นี้ต้องรอรอให้ข้อดอกมาก่อนะ ถ้าสมมติว่าถ้าตายไปแล้ว บ, บุญกรรมส่งให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปรอมีร่างกายรอดูล่างรอรับร่างกายของพ่อแม่คนใหม่ถ้ามีถ้ามีร่างกายของพ่อแม่คนใหม่ที่เราสามารถเข้าไปจับจองเป็นของเราได้เราก็จะเกิดภายในเก้าเดือนต่อมาถ้าไม่ทําแท้งซะก่อนถ้าทําแท้งก็ต้อง ราไปหาพ่อแม่คนใหม่ที่เขากำลังตั้งคันใหม่อยู่แต่ถ้าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็จะไปเกิดทันทีถ้าไปเป็นเทวดาก็ไปเป็นเทวดาทันทีหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าจะไปเป็นเปรตก็ไปเป็นเปรตทันทีถ้าจะไปเป็นอสุ ร, รกายไปนรกก็ไปทันที แต่ถ้าจะไปเป็นเดลฉ า, านก็ต้องรอรับร่างกายของเดลฉ า, านก่อนต้องรอให้มีร่างกายของเดลฉ า, านถึงจะไปเป็นเดลฉ า, านได้อันนี้คือการไปของพวกเราหลังจากที่เราไม่มีร่างกายแล้วพอเราร่างกายไม่มีแล้วกฎแห่งกรรมก็จะมาจัดการกับร่างกายกับจิตใจของพวกเราซึ่งตอนนั้นเราก็จะ เรียกเป็นดวงวิญญาณจิตใจพอไม่มีร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อจากจิตใจมาเป็นดวงวิญญาณเหมือนกับเวลาที่เราเป็นเด็กเขาก็เรียกเราเป็นเด็กชายเด็กหญิงเพอเราโตขึ้นอายุสิบแปดขึ้นไปเขาก็เรียกว่านายหรือนางสาวแล้วถ้าเป็นหญิงเดี๋ยวถ้าไปมีสามีก็เรียกว่านางต่อไปอันนี้เป็นการเปลี่ยนชื่อ แต่ตัวตัวเดิมร่างกายอันเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญเติบโตจึงมีการเปลี่ยนชื่อของร่างกายจากเด็กเป็นเด็กหญิงเด็กชายเป็นเป็นนายเป็นนางสาว้าไปแต่งงานหญิงก็เปลี่ยนจากนางสาวเป็นนางไปจิตใจเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิด ผู้รู้ผู้คิดผู้จำได้หมายรู้ผู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายนี้คือจิตใจแล้วก็เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆทำบุญทำบาป ท, ทำสิ่งที่ไม่เป็นบุญที่ไม่เป็นบาปแล้วพอทำก็เกิดผลขึ้นมา มาทางจิตใจคือความสุขความทุกข์ใจหรือไม่สุขไม่ทุกข์ใจทำบุญก็สุขใจทำบาปก็ทุกข์ใจทำสิ่งที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็ไม่สุขไม่ทุกข์ใจวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราจะทำส่วนใหญ่เราจะทำสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นบาปกันเช่นเราทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายเรานี้ไม่ได้เป็นการทำบุญไม่เป็นการทำบาป เช่นอาบน้าําล้างหน้าแปลงฟันรับประทานอาหารไปทํางานถ้างานเป็นงานที่ไม่ไม่ไม่เป็นการทําบาปก็ไม่เป็นบาปเช่<า>นทํางานที่สุดจริตทํางานที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายาก็ไม่เป็นบาปจะเป็นบาปก็ต่อเมื่อเป็นงานที่ผิดศีลผิดธรรมเช่นไปลักขโมยไปค่าสัตว์ ไปดักสัตว์ใบตกปลายิงนกตกปลาเพื่อมาทําเป็นอาหารหรือเมื่อเพื่อเอาใบขายแลกเปลี่ยนกับอาหารชนิดอื่นหรือสินค้าชนิดอื่นอย่างนี้ก็จะกลายเป็นการกระทาบาปไปแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็โชคดีที่อยู่ได้ด้วยการไม่ทําบาปกันไปทํางานที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมาย นี่คือการกระทําที่ไม่ส่งผลต่อจิตใจในทางทางบวกหรือทางลบคือไม่ได้ทําให้เกิดความสุขใจหรือเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะเกิดความสุขใจเวลามีเงินที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปทําบุญก็จะได้ความสุขใจเกิดขึ้นมาอย่างวันนี้ญาติโยมก็มีเวลาว่างมีเงิน ทองเหลือกินเหลือใช้ก็เลยเอามาทำบุญมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเพอทำแล้วจะเกิดความสุขใจขึ้นมาได้ได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่รู้มาก่อนและสิ่งที่ได้เรียนรู้นี่จะมาทำให้ใจมีความสุขจะทำให้ใจมีความสงบ น, นี่คือกิจกรรมที่เราทำกันในขณะที่เรามีร่างกายเราก็คือจิตใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วพอไม่มีร่างกายผลที่เราได้ทำก็จะส่งให้เราไปทางใดทางหนึง่งอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายบาปมีกำลังมากกว่า ก็จะส่งให้เราไปทางซีของทุกขติไปทางอบายเหมือนโลกนี้มีมีเป็นแบ่งเป็นซีกซีกที่เป็นกลางคืนกับซีกที่เป็นกลางวันตอนนี้เราเป็นกลางวันแต่ซีกอีกด้านหนึ่งของโลกตรงกันข้ามกับของเรานี้เป็นกลางคืนเช่นตอนนี้ที่สหรัฐที่อเมริกาที่นิวยอร์กเนี่ย จะเป็นเวลากลางคืนแล้วบ่ายสองเขาก็จะตีสองอพบพบชาตินี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองซีซีกมืดกับซีกสว่างหรือซีคที่มีทุกข์กับซีคที่มีแต่สุขซีกที่มีแต่ทุกข์มากกว่าสุขก็คืออบายซีกที่มีสุขมากกว่าทุกข์ก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆเรียกว่าสุขติ ซิ่งที่มีสุขมากเราก็เรียกว่าสุขกติซิ่งที่มีทุกมากเราก็เรียกว่าทุกขกติพอร่างกายตายไปปั๊บใจนี้จะไปเป็นเป็นอยู่ก่อนที่ตายแล้วใจเรานี้เป็นสามารถเปลี่ยนจากมนุษย์ในขณะที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์ได้ตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราเป็นมนุษย์เพราะตอนนั้นเรายัางไม่ได้ทาบุญหรือทาบาปตอนที่ออกมาจากท้องแม่ใหม่ เราไปได้เราไปได้ชาระบุญชาระบาป ท, ที่เราทำจากชาติก่อนๆไปจนกระทั่งบุญกับบาปนี่มันมีฐานมีกําลังเท่ากันบุญไม่หมดบาปไม่หมดแต่มันไม่สามารถที่จะดึงใจของเราให้ไปทางซิกใดซิกหนึ่งได้ไม่สามารถดึงใจของเราให้ไปให้อยู่ในสวรรค์ต่อไปได้ไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในอบายต่อไปได้ตอนนั้นใจก็จะมา เกิดเป็นมนุษย์ตอนที่ข้อเรามาจากท้องแม่ใหม่ๆตอนนั้นเราเป็นมนุษย์เต็มที่เต็มร้อยแต่พอเราจเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาพอเราเริ่มรักขโมยเริ่มโกหกเนี่เราก็จะเริ่มเปลี่ยนจากมนุษย์กลายไปเป็ น, เ ป, นเป็นเป็ดรัจฉานหรือเป็นพวกเปรตพวกอสูรกายพวกนรกไปในทางเครืองเงนข้ามถ้าเราทําบุญ เราก็จะเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพชั้นต่างๆอันนี้เป็นตั้งแต่ที่ร่างกายนี้ยังไม่ตายใจของเรานี้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติตั้งแต่ร่างกายนี้ยังมีอยู่แต่ใจนี้เปลี่ยนไปแล้วใจเป็นร่างกายอ่ะร่างร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจอาจจะเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยบุคคล หรือในทางตนข้ามตรงกันข้ามก็อาจจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกถ้าเราอยากจะเห็นพวกที่กายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตนี่ก็ไปแถวเดือนจำเนี่ยเดือนจานั่นแหละเป็นที่กักขังพวกที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว เป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างเึ้นอยู่กับการทำบาปถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปเหมือนคนที่ทำกผิดกฎหมายแต่ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายเขาไม่เขาไม่เว้นว่าทาผิดกฎหมายแล้วมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ต้องติดคุกก็ไม่ได้ถ้าทำผิดกฎหมาย เขาก็ต้องจับไปลงโทษรู้ไม่รู้ถ้าทำด้วยความไม่รู้ก็เป็นเดรลฉานถ้าทำด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตถ้าทำด้วยความกลัวก็เป็นอสนลรกายถ้าทำด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นนรกเนี่ยถ้าอยากจะดูพวกที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นอบายไปแล้วก็ไปแถวเรือนจำอยู แถวที่เขากักขังผู้ที่ทําผิดทั้งหลายในทางตงน้นเงินข้ามถ้าอยากจะเห็นพวกมนุษย์ที่เป็นเทวดาเอก็ไปแถววัดดูะวัดนี้เป็นพวกที่จะไม่ทําบาปกันะจะทําบุญกันเอใส่บาตรหรืออยากจะเห็นพวกพรหมก็ดูพวกที่เขานุ่งขาวห่มขาวกันเออหรือนุ่งเหลืองเออ นุงขาวห่มขาวพวกนุ่งเหลืองนี่ก็เป็นพวกพรหมหรือก็เป็นพวกพระอริยะบุคคลเพราะว่าเขามีการกระทําที่จะทําให้เขาได้เป็นเป็นพรหมได้เป็นพระอริยบุคคลจะอยากจะเห็นร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยะบุคคลก็ต้องไปดูตามวัดต่างๆ ต, ตามสถานที่ที่มีการรักษาศีลที่มีการทําบุญทําทาน ที่มีการฝึกสมาธิที่มีการฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาสถานที่เหล่านี้แหละจะเป็นที่แปลงใจของของคนที่มีร่างกายของใจที่มีร่างกายให้กลายเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระอริยะผุคคลขั้นต่างๆนี่คือเรื่องของใจที่เราไม่รู้กัน ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เราจะได้ยินแต่ว่าตายแล้วสูญตายแล้วจบบาปไม่มีบุญไม่มีทำดีไม่ได้ไปสวรรค์ทำบาปไม่ได้ไปอบายไปที่เดียวกันหมดไม่ว่าคนทำดีหรือทำบาปคือไปไปเมนกันไปสุสานกันไปที่ฝังศพไปที่เผาศพกัน เพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเห็นกันแต่จิตใจนี้ไม่มีใครเห็นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไม่รู้ว่าร่างกายไม่มีแล้วจิตใจไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้อันนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างพระอริยบุคคลพระพุทธเจ้ากับภุตุชนอย่างพวกเราพวกเราจึงเปรียบเหมือนคนตาบอด เพราะเรามองไม่เห็นจิตใจผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดเราไม่เห็นภพชาติของจิตใจที่จิตใจไปไปติดอยู่ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราจึงต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งทำหน้าที่แทนกันได้ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็มีพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนนี้ก็ต้องเป็นของพระพุทธเจ้า ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือเชื่อพระอริยสงฆ์สาวกผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมเปิดตาที่มืดบอดของปุถุชนมาเป็นตาของพระอริยบุคคลสามารถเห็นจิตใจเห็นภพชาติของจิตใจเห็นว่าตอนนี้จิตใจของตนอยู่ในภพไหนชาติไหน จะเวียนว่ายตายเกิดไปอีกกี่พบกี่ชาติจะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่เกิดผู้พระอริยบุคคลนั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจะรู้สถานภาพของจิตใจของตนเองพระอริยบุคคลมีสี่ระดับพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหันต์อันนี้เป็น เป็นบุคคลที่เป็นคนตาดีรู้จักตัวของตนเองและของผู้อื่นว่าเป็นอะไรกันแน่รู้ว่าไม่ได้เป็นร่างกายรู้ว่าเป็นจิตใจรู้ว่าเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลของบุญของบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้รับตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ะไม่ใช่ ไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่ร่างกายตายไปเวลาที่ร่างกายอยู่ก็รับผลทันทีจิตใจก็แปลงเพศไปทันทีเป็นเทพเป็นพรหมไปพร้อมๆกับการกระทําที่ได้กระทํากันบุคคกเหล่านี้จะถ้าเราได้พบปะเราก็จะเรียนรู้เรียนรู้เรื่องชีวิตของเราแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเรานี้ ไม่ไม่ตกต่ำไม่ลงต่ำให้เรารู้วิธีที่จะทำให้ชีวิตของเราขึ้นสูงไปเรื่อยๆขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับตามลาดับของของชีวิตของจิตใจนี้ก็เริ่มตั้งแต่ขั้นของมนุษย์ขึ้นไปมนุษย์นี้เป็นจุดกลางที่เป็นจุดต่ำสุดของ ของของความดีของของสวรรค์เป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็จะขึ้นไปเป็นเทวดาไปเป็นสวรรค์มนุษย์นี่เป็นกลางๆไม่ใช่สวรรค์เป็นพบระหว่างระหว่างอบายกับระหว่างสวรรค์ระหว่างสุคติกับหรือจะเรียกว่าอยู่ในส่วนของสุคติก็ได้เพราะมนุษย์นี่มีความสุขกับความทุกข์ประมาณเท่าๆกันห้าสิบห้าสิบ แต่ถ้าขึ้นไปเป็นเทวดาก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้าเป็นพรมก็จะมีความสุขมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นพระอริยะบุคคลก็จะมีความสุขมากขึ้นไปจนมีความสุขเต็มร้อยความทุกข์เหลือศูนย์ส่วนในทางตรงกันข้ามถ้าต่ำกว่ามนุษย์เช่นเดรชาอันเปรตความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นความสุขก็จะมีน้อยลงไป พอถึงขั้นนรกก็มีแต่ความทุกข์เต็มร้อยความสุขนี้ไม่มีเลยอันนี้คือสิ่งที่พระอริยบุคคลพระพุทธเจ้านี้รู้กันเห็นกันไม่สงสัยไม่สงสัยว่าทำบุญทำบาปแล้วจะมีผู้ไปรับผลบุญผลบาปหรือไม่จะมีอบายมีสวรรค์มีนรกหรือไม่อันนี้ไม่สงสัยแล้ว แล้วมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่หรือไม่ไม่สงสัยรู้ว่าตายไปแล้วถ้ายังมีเชื่อของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วก็รู้ด้วยว่าวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนั้นทำอย่างไรอะไรเป็นเหตุที่ทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นความรู้ที่ ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวศาสนาอื่นอาจจะรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์แต่จะไม่รู้เรื่องของเหตุที่ทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดและไม่รู้ว่าวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้หยุดได้อย่างไรในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ก็มีการมีการทำบุญมีการทำบาปกัน แล้วก็รู้ว่าเวลาทำบุญทำบาปไปไหนกันรู้อันนี้มีเป็นความรู้ที่มีมาก่อนมีพระพุทธศาสนารู้ว่าทำบุญก็ไปสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมรู้ว่าทำบาปก็ไปอบายไปเป็นเดชะฉานไปนรกไปเป็นเปรตแต่ไม่รู้ว่าการที่จะ กับการที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ทำอย่างไรบีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้ได้ด้วยพระองค์เองเพราะพระองค์นี้ไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะทรงเห็นโทษของการมาเกิดเห็นว่าเกิดแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายจึงกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกลัวการเกิด ความกลัวนี้จะทำให้พระองค์ต้องสลากลาชสมบัติเพราะอยากจะไปค้นคว้าหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปจึงพยายามขนขวายไปศึกษากับผู้รู้ในสมัยนั้นแต่ก็ไม่มีผู้รู้คนใดที่รู้วิธีที่จะหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้รู้แต่วิธี ทำใจให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมได้เท่านั้นโดยการนั่งสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆ<ม>ถ้าเข้าฌานได้ก็จะเข้าไปสู่สวรรค์ชั้นพรมได้<ม>ถ้ายัางเข้าฌานไม่ได้ได้แต่ทาบุญได้แต่รักษาศีลก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆ<ม>แต่ไม่ว่าจะอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมหรือสวรรค์ชั้นเทพก็จะต้องเสื่อมลงมา กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของใจได้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ศึกษาจากอาจารย์ที่รู้ความรู้สูงสุดในขณะนั้นแล้วพระองค์ก็เลยต้องไปเรียนรู้ด้วยตนเองไปทาวิจัยค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หาความรู้ว่าจิตใจของพระองค์นี้ทําไมมันยังต้องกลับมาเกิดอยู่ทําไมยังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่หลังจากทดลองผิดทดลองถูกอยู่ในที่สุดก็ทรงเห็นว่าสิ่งที่พาให้จิตใจของพระองค์ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ก็คือตัณหาสามข้อด้วยกันตัณหาสามชนิดด้วยกัน ชนิดที่หนึ่งเรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุธพะนี่เองถ้ายังอยากดูยังอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายก็ต้องไปเกิดไปรอรับร่างกายจากพ่อแม่คุณใหม่เวลาที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้ว ก็ไปรอรับร่างกายก่อนที่จะไปรอรับก็ไปรับผลบุญผลบาปก่อนพอผลบุญผลบาปาได้รับหมดแล้วผลหมดไปแล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายให้เสบแล้วนี่คือความอยากข้อที่หนึ่งที่ทําให้ต้องกลับมาเกิดกัน ความอยากข้อที่สองก็คือความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองอยากมีอยากเป็นใช่อยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูมกนื่นกายก็ต้องมีร่างกายถึงจะสามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้แล้วพอมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เกิดความอยากข้อที่สามขึ้นมาความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปสิ่งที่เรารักเราชอบไป เราก็จะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่สูญเสียราบที่เราหามาได้อยากไม่สูญเสียยศฐาบรรดาสักอยากไม่สูญเสียการสรรเสริญเยือนยอความอยากเหล่านี้มันก็จะทำให้ใจเราดินดินหาดินหนี้ดินขนขวายรักษามันก็จะทำให้จิตของเรากลับมาเกิดอยู่เรื่อย พอเราสูญเสี ย, ยสะลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายปแเราก็ดิ้นหากันใหม่พอเราสูญเสียร่างกายไปเราก็ดิ้นไปหาร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องกําจัดความอยากทั้งสามประการนี้ความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมาถือศีลของนักบวชกัน เพื่อที่จะหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปเสพผู้ที่มานุ่งขาวห่มขาวนี่เขาพยายามที่จะลดเลยพยายามฝืนการไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดสียงข้อที่แปดสิ่งแปดข้อสิ่8แปดคอยห้าแม่เราไปเสพกามกันกามก็รูปเสียงกลิ่นลดผลทพะนี่กามคุณกามนี่เป็นคำย่อมาจากคำว่ากามคุณกามคุณนี่มีอยู่ห้า ห้าประการด้วยห้าชนิดด้วยกันคือรูปเสียงกลิ่นรสผดท พ, พะนี้เราเรียกว่ากามคุณห้ากามตัญหาก็คือการเสพกามคุณห้าเสเพลู่เสียงกลิ่นรสผดท พ, พะเสเพแล้วก็ติดเหมือนยาเสพติดเลิกไม่ได้เวลาติดแล้วจะเลิกเสพไม่ได้เพราะเวลาจะเลิกเสพมันทุกข์มากก็เลยไม่มีใครเลิกกัน พอร่างกายนี้ไม่มีก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาเสบต่อกันถ้าอยากจะเลิกก็ต้องมีความอดทนมีความเข้มแข็งถือศีลแปดกันเวลาถือศีลแปดมันก็จะรู้สึกงดเย็ดไม่มีความสุขเหมือนกับตอนที่ไม่ได้ถือศีลแปดเพราะว่าเวลาไม่ถือศีลแปดนี่เสบการามได้เวลางดหยิด อากจะหลับนอนกับแฟนก็ไปแก้การหงุดหียดด้วยการหลับนอนกับแฟนได้นอนกับแฟนก็หายหงุดหียดแต่มันหายหงุดหียดชั่วคราวเดี๋ยวความอยากเกิดขึ้นใหม่ก็ต้องหงุดหียดใหม่ะถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องกัดฟันฝืนใจอย่าไปเสพมันโดยเด็ดขาดสู้กับความอยากอย่าไปทําตามความอยาก ถ้าเราไม่ยอมแพ้ความอยากต่อไปความอยากมันจะยอมแพ้เราเองเหมือนคนที่เลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้เลิกเที่ยวเลิอกอะไรได้ก็เพราะมีความอดทนมีความเข้มแข็งที่จะเผชิญกับความอยากต่างๆถ้าไม่มีกำลังที่จะสู้ก็สามารถสร้างกำลังขึ้นมาได้สิ่งที่จะทำให้ใจมีกำลังสู้กับความอยากได้ก็คือสติ และสมาธิเนี่ยถ้ามีสติก็จะทำให้จิตสงบเข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิได้ก็จะสู้กับความอยากได้หยุดความอยากได้เวลาเกิดความอยากแล้วจะรู้สึกทรมานใจถ้ามีสติก็ทำใจให้สงบเป็นสมาธิพอใจสงบเป็นสมาธิความทรมานใจก็หายไปการที่จะต้องไป ทำลายความทรามานใจด้วยการไปทำตามความอยากก็ไม่ต้องทำอยู่เฉยๆปล่อยให้ความอยากมันหมดแรงไปเองถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากฝืนมันไปทุกครั้งที่มันอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังแล้วมันก็จะทำให้เร า, เาไม่มีความอยากได้หมดความอยากได้ถ้าเราหมดความอยากได้เราก็จะ ไม่ต้องใช้ร่างกายอต่อไปถ้าไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่มีความอยากในเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดเพาะถ้าไม่มีความอยากมีความสุขทางจิตใจถ้าไม่มีความอยากที่จะให้ความสุขที่มีในจิตใจใหายไปเราก็จะทาให้เราไม่ต้องกลับมาเสพกับภพบชาติต่างๆอีกต่อไป ไม่ต้องมีพพชาติไม่ต้องเป็นเทพเป็นพรหมไม่ต้องเป็นมนุษย์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปอันนี้เปิดความรู้ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งค้นพบวิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องถือศีลของนักบวชกันเพื่อหากห้ามจิตใจไม่ให้ไปเสพกามและเวลาเกิดความทรมานใจตอนที่ถือศีลแปด ก็บรรเทาด้วยการฝึกจิตให้สงบทําจิตให้สงบเจริญสติเพราะถ้าไม่มีสติจะทําจิตให้สงบไม่ได้จากการที่จะทําจิตให้สงบให้รู้สึกสบายไม่ท ร, รมานกับความอยากก็ต้องมีสติการจะมีสติก็ต้องคอยควบคุมจิตให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดเวลาจะได้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธตลอดเวลา อย่าปล่อยให้คิดด้วยเปื่อยถ้าจะคิดในเรื่องจำเป็นก็คิดได้เป็นเป็นเป็นช่วงๆเป็นเป็นเฉพาะกิจไปถ้าต้องคิดว่าวันนี้ต้องทำอะไรก็คิดไปคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาพุทโทพุทโทใหม่เพราะพอไปทำงานต้องใช้ความคิดกับงานที่ทำก็หยุดพุทโทไว้ชั่วคราวแต่จะไม่ปล่อยให้คิดเพ่อเจอไม่ให้คิดเพ้ฝัน คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดห่วงใยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้เรือคิดอยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความคิดเหล่านี้ต้องกำจัดมันให้หมดกำจัดมันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าจะให้ใช้การจดจอ่อเฝ้าดูการกระทำของร่างกายแทนก็ได้ให้ใจคอยเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทาอะไรอยู่ กำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องเดียวเรื่องเดินถ้านั่งก็ให้อยู่กับเรื่องนั่งถ้านั่งไม่รู้จะดูอะไรก็ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ถ้ารับประทานอาหารก็ดูการรับประทานอาหารถ้าอาบน้าแปลงควันก็ดูไปอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องอื่นๆก็จะมีสติขึ้นมาพอจะสามารถ ควบคุมใจไม่ให้คิดได้เมื่อควบคุมใจให้ไม่คิดได้ใจก็จะนิ่งจะสงบเวลาเกิดความอยากแล้วมันไม่นิ่งก็ใช้สติทําให้มันนิ่งได้มันก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากเพราะความทรมานที่เกิดจากความอยากมันจะไม่ปรากฏหรือปรากฏแล้วมันก็จะดับไปทันทีถ้าเรามีสติเราก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากที่เรายังต้องไปทําตามความอยากอยู่เพราะเราทนกับความทรมานไม่ได้ ทรมานใจเวลาเกิดความอยากพออยากจะกินกาแฟนี่โอ้ใจมันโหยขึ้นมาพออยากจะกินขนมเนี่ยมันโหยมันหิวขึ้นมาเวลาอยากจะไปเที่ยวมันโหยมันหวิวแต่ถ้าเรามีสติเราจะหยุดความโหยหิวได้ทําใจให้นิ่งได้แต่ถ้าไม่มีสติจะทนไม่ไหวในที่สุดก็จะต้องไปทําตามความอยากถ้าทาตามความอยากความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ ถ้าไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะหายไปในที่สุดมันจะไม่กลับมายุ่งกับเราอีกจะไม่กลับมารบกวนเราอีกนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสงกลพบด้วยพระองค์เองสมกลพบว่าอะไรทำให้พระองค์ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็คือกามะตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิะะ่นนสดภาวะตัหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น และวิธีที่จะทำให้กำจัดความอยากทั้งสามได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็ต้องมีสติถึงจะมีสมาธิได้ถ้ามีสติแล้วก็ก็มีสมาธิได้เลยไม่ต้องเจริญสติถ้านั่งสมาธิครั้งแรกห้านาทีจิตรวมสงบก็แสดงว่ามีสมามีสติแล้วไม่ต้องไปฝึกสติคนใดถ้ามาหันั่งสมาธิครั้งแรก แล้วนั่งได้ห้านาทีเจ็ดรวมนี่สแสดงว่ามีสติแล้วไม่ต้องไปฝึกสติสแสดงว่าชาติก่อนก็ฝึกสติมาก่อนแต่ถ้านั่งแล้วครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่สงบชั่วโมงก็ยังไม่สงบนั่งตอนต้นเป็นยังไงตอนตอนปลายก็ยังเป็นเหมือนตอนต้นอยู่สแสดงว่าไม่มีสติเลยนั่งไปพุทธโธได้สองคำแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ไปกรุงเทพไป สุขโขทยไปอเมริกาไปที่ไหนไปมันว่อนไปหมดไม่ได้มาอยู่ที่พุทโธเลยนั่งว่ายี้นั่งไปนานเท่าไหร่ก็ไม่มีวันสงบเดี๋นั่งแล้วเดี๋ยวก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาให้เห็นมีแสงมีเสียงมีกลิ่นมีอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไปว่าเป็นเป็นธรรมะระดับนั่นระดับนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ใช่นั่งแบบนี้ก็ไม่ใช่ นั่งสมาธิต้องให้มันรวมอย่างเดียวรวมเป็นหนึ่งเรียกเอกขตารมสงบนิ่งเป็นอุเบกขาเบาอกเบาใจสุขใจอย่างยิ่งอังนนี้เรียกว่านั่งสมาธิจะจะรวมได้ต้องมีอะไรคอยกาจับใจไม่ให้ใจไปคิดฟุ้งซ่านถ้าไม่อยู่กับลมหายใจก็ต้องมีคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกัน ถ้าจะใช้กระสินก็เราเลอกถึงสีนั่งหลับตาแล้วก็นึกถึงสีสีเขียวให้มันมีสีเขียวอยู่ในจอภาพจอจอใจตลอดเวลาอย่างนี้จิตก็จะรวมเป็นหนึ่งได้หรือสีขาวก็ได้สีแดงก็ได้แล้วแต่เราชอบสีไหนเราก็นึกถึงสีนั้นขึ้นมาแล้วให้มันอยู่กับสีนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้กระสินเพื่อทำจิตให้สงบ หรือจะดูลมหายใจก็อานาปนาสติหรือจะเลึอกถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเช่นโครงกระดูกก็ได้และเลือกภาพของโครงกระดูกของร่างกายให้มันอยู่ในจอใจให้เห็นชัดเจนว่าไม่โครงกระดูกอย่างนี้จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ต้องมีการควบคุมบังคับใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวมันถึงจะสงบได้ อย่าไปนั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจมันผลิตรูปเสียงหรืออะไรต่างๆขึ้นมาหลอกใจว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนั้นเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นการจินตนาการของใจเพราะไม่มีสติคอยควบคุมบังคับมันมันก็จินตนาการไปตามเรื่องของมันนี่ก็คือการเครื่องมือที่จะมาใช้ในการที่จะ สู้กับความอยากสามประการสู้กับกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาต้องสู้ด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องเป็นศีลของนักบวชถึงจะมีกําลังพอศีลจะได้มีเพราะศีลจะต้องสนับสนุนการจเจริญสติสมาธินั่นเองถ้าไม่มีศีลแปดศีลของนักบวชจะไม่มีเวลาเพราะจะมัวแต่เอาเวลาไปเสพความยตามความอยากกันไปเสพกามกันกามตัณหากันน ก็เลยต้องมาละ ง, งับการมาตัญหาด้วยการถือศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดอย่างใดอย่างหนึ่งตามสถานหภาพของผู้ปฏิบัติเลือกได้ตอนต้นอาจจะถือศีลแปดก่อนเพราะศีลแปนี้ไม่ยุ่งยากเหมือนกับศีลสองร้อยกว่าศีลสองร้อยกว่านี้ต้องไปเข้าเข้ารีดเข้าประเพณีต้องไปบวชต้องไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆ แต่สินแปนี้เพียงแต่ตั้งจิตอธิษฐานก็สามารถรักษาได้เลยสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่ก็มักจะถือสินแปดกันไปก่อนและต่อไปพออยากจะปฏิบัติอย่างเต็มเต็มร้อยตลอดเวลาก็ไปถือสิลสองอยี่ิบเจ็ดกันถือสินของนักบวชแบบเต็มรูปแบบกันเพื่อจะได้มีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อมานั่งสมาธิ ให้จิตสงบให้ได้เพราะถ้าจิตสงบแล้วก็จะสามารถสู้กับความอยากได้แล้วยิ่งถ้ามีปัญญาชี้โทษว่าการทำความอยากนี้ไม่ได้ไปพาไปสู่ความสุขแต่พาไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเพราะสิ่งที่ได้มาก็จะต้องเสื่อมไปหมดไปเพราะมันไม่ถาวรมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันถาวร สั่งให้มันให้ความสุขกับเราตลอดไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็กลับเข้ามาแทนที่อันนี้คือการเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าการทำตามความอยากนี้จะไปพาให้เราไปหาสิ่งที่เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์กับมันถ้ารู้ว่าจะต้องทุกข์ก็อย่าไปเอามันดีกว่า ได้เงินมาแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเวลาเงินหมดพอใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันหมดแล้วถ้าเราไม่รู้จักหาเราก็จะทุกข์เพราะถ้าพอใช้แล้วมันติดมันจะต้องใช้อยู่เรื่อยๆพอไม่มีเงินใช้มันก็จะทุกข์ขึ้นมาได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องหมดแล้วถ้าเราหาไม่ได้ก็จะทุกข์นี่คือปัญญาที่เราจะต้องคอยสอนใจว่าการทาตามความอยาก อยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นการได้ความทุกขมามากกว่าได้ความสุขความสุขที่ได้มันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขแค่แค่ชิ้นเดียวแต่เบ็ดที่มันเกาะเกี่ยวปากนี่มันเจ็บไปตลอดชีวิตไปเจ็บไปจนวันตายปลาที่ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากนี่มันจะเจ็บไปจนวันตายความสุขที่ไดจากการหุบเหยือ่อนิดเดียวเท่านั้นเองเดียวเดียว ฉันได้ความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวๆแล้วเดี๋ยวมันหมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นให้เห็นอย่างนี้ให้เห็นว่าทุกอย่างที่กามตัณหาวิภาวะฐาภาวะตัณ ห, หาวิภาวะตัณหาต้องการนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันเราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ มันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปมีการหมดไปถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมีสติหยุดกับสู้กับความอยากได้พอเวลาเห็นด้วยปัญญาก็หยุดแต่เวลาหยุดความท้ายความอยากยังไม่หยุดมันก็จะทำให้เราทุกข์เราเครียดเราก็สามารถใช้สติหยุดความอยากได้หยุดความคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้ พอเราคิดเลิกคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้มันก็หายอยากเราคิดไปในมุมกลับการที่จะเห็นว่ามันสวยก็มองว่ามันไม่สวยอย่างนี้มันก็จะทําให้เราเอาหยุดความอยากได้แานที่จะเห็นว่ามันสุขเห็นว่ามันทุกก็จะไม่อยากได้ขึ้นมาอันนี้คือปัญญาและสนับสนุนด้วยสติหรือสมาธิถ้ามีสติมีปัญญาก็จะสามารถ สู้กับความอยากทั้งหลายทำลายความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้พอใจไม่มีความอยากแล้วการจะไปเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปการจะมาแก่มาเจ็บมาตายก็ไม่มีอีกต่อไปความทุกข์ที่จะเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้ายังมีการไปเกิดอยู่ถึงแม้จะไปเกิดดีขนาดไหนเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเกิดเป็นพระราชามหากรรษัตริย์เกิดเป็นมหาเศรษฐีเกิดเป็นอะไรก็ตามมันก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปมันก็ยังต้องทุกข์และยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆดังนั้นถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีเครื่องมือ ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเหมือนกับเวลาลดยางแตกถ้าอยากจะเปลี่ยนยางนี้ก็ต้องมีเครื่องมือถ้ามีมือเปล่าๆนี้อย่าไปหวังเปลี่ยนยางเปลี่ยนไม่ได้ต้องมีที่ขันนอ็อตคลายน็อตออกมาต้องมีแม่แรงยกล้อให้มันลอยขึ้นมาก่อนจึงจะสามารถเอาล้อเก่าออกได้แล้วเอาล้อใหม่ใส่เข้าไปแทนได้ถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีแม่แรงไม่มีที่ขันนอ็อต ที่คลายน็อตนี่ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนอย่างได้อันใดถ้าเราต้องการที่จะทําลายความอยากที่เป็นตัวพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมีเครื่องมือเราก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็พอมีเครื่องมือแล้วก็ต้องมีเวลาปฏิบัติไม่ใช่มีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่ไม่เอาไปปฏิบัติอยู่เฉยๆไม่ได้ เวลาเกิดยางแตกขึ้นมาต้องเปลี่ยนอย่างเวลาเกิดความอยากขึ้นมาต้องหยุดมันไม่ใช่มีศีลสมาธิปัญญาพอมีเกิดมีความอยากก็ไปทําตามความอยากอยากกินกาแฟก็ไปกินอยากดูหนังก็ไปดูอยากฟังเพลงก็ไปฟังถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วไปทําสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับไม่มีก็าการมีศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อมายุติมาหยุดความอยาก แต่ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแต่เวลามีความอยากกับไม่ไปหยุดมันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีศีลสมาธิปัญญาเพื่อระ ง, งับความอยากต่างๆระ ง, งับกามตันหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจแต่ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาเวลาเกิดตัณหาขึ้นมาอยากจะหยุดมันก็หยุดมันไม่ได้อย่างพวกเราตอนนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วว่า ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องหยุดกามาทันหาภาวะทันหาวิภาวะทันหาแต่พอเกิดตันหาเราก็หยุดมันไม่ได้พออยากกินกาแฟาก็ไปกินอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวอันนี้ก็จึงทําให้เรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไม่มีเครื่องมือตอนนี้เราขาดเครื่องมือกันเราขาดศีลสมาธิปัญญากันเรารู้เรารู้มีปัญญาในระดับเริ่มต้น รู้ว่าอะไรทาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดรู้ว่าจะใช้อะไรในการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดคือศีลสมาธิปัญญาแต่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่มีศีลสมาธิปัญญาถ้าอยากจะมีศีลสมาธิปัญญาก็ต้องสร้างมันขึ้นมาต้องรักษาศีล่ยนต้องฝึกนั่งสมาธิกันต้องหมั่นพิจารณาไตรักกันอยู่เรื่อ ย, อยถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปเราก็จะมีศีลสมาธิปัญญา ถ้าเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุถึงพันนิพานได้พันนิพานก็คือที่อยู่ของจิตที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วเท่านั้นเองแล้วเป็นได้ทุกคนไม่ว่าหญิงเม้าชายไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นคาลาวาขอให้มีศีลสมาธิปัญญาก็แล้วกัน ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นนักบวชก็ไม่ก็ไปไม่ได้หยุดไม่ได้เป็นอะไรก็ห <manure> ย <iring S 1> ุดไม่ได้ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ม <varios> <aus> ันไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยเนี่แต่อยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่สุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบอะไรปฏิบัติดีไงก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่เองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติเต็มที่ปฏิบัติเต็มร้อยเนี่ย ถ้า ไ, ได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเต็มที่เต็มร้อยแล้วอตัณหาความอยากทั้งสารก็จะถูกทําลายให้หมดไปจากจิตจใจนั้นขอให้เรามาดูที่ตรงนี้ดูที่ศีลสมาธิปัญญากันอย่าไปดูว่าเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคาราว่าหรือเป็นนักบวชอันนั้นเป็นองค์ประกอบที่ไม่สําคัญเท่ากับศีลสมาธิปัญญา ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่ อ, อเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้รู้จริง mm hmm. เห็นจริงเป็นผู้ที่จะสอนให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ต้องเชื่อคําสอนปฏิบัติครับตามคําสอนของท่านแล้วเราปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าผลที่ท่านได้รับก็จะเป็นผลที่เราได้รับกันเพราะเหตุกับผลนี้ไม่เปลี่ยนไปตามเหตุตามตามเวลาอาการรีโก ปลูกข้าวปลูกปีไหนมันก็จะได้ข้าวมันจะไปปลูกข้าวแล้วได้กล้วยไม่มีวานมันถ้าปลูกข้าวก็ต้องได้ข้าวถ้าจเจริญศิน ส, สมาธิปัญญาก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันดังนั้นขอให้เรามีความมั่นใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติตามให้ได้แล้วเราจะได้รับแต่สิ่งที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่การาไปเกิดในสุขติขั้นต่างๆะ จนไปถึงขั้นสูงสุดตามลำดับของการปฏิบัติของศีลสมาธิปัญญาของเราการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรกวาหาปุราปปริกปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติ อิชีตังปัตถีตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจโจตุสัเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติอาราโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนศสีิตสะนิจังหุธาปจายโนจตารโรธรรมวาัานติอายุวันโนสุขังภาลาลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปจน เวลาที่เลิกประชุมกันหลังจากนั้นก็ห้ามถามห้ามไม่ตอบหลังใหม่ถ้าอยากจะไม่ไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษมาแล้วจะมีคนอ่านคำถามให้วันนี้ทาง Facebook YouTube เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมดสา3ร้อยปสิบสามคน y o u t u หนึ่งร้อยสิบเจ็ดคน r a ดี o โ1สามสิบเอ็ดคนผู้ที่มารับฟังบนเขาหนึ่งร้อยคน รวมทั้งหมดหก1้อยสามสิบเอดคนครับผมวันนี้เป็นมาตรฐานเข้าเกณฑ์วละหกร้อยกว่าถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยคำถามจากเฟซบุ๊กค่ะคำถามจากคุณยุพดีการที่โยมไปยืนดูสามีหรือคนอื่นๆที่กำลังหลับแล้วรู้สึกพวกเขาเหมือนศพ บ, บางครั้ง รู้สึกน่าขยะแขยงเป็นเพราะยมไปงานศพแล้วชอบไปดูเวลาเ็าเปิดลงศพเลยรู้สึกเช่นนี้จะบาปไปเจ้าคะที่คิดว่าพวกเขาเหมือนศพที่ตายแล้วตอนนี้ขอแยกห้องนอนกับสามีมาสามสิบกว่าปีมาแล้วเจ้าคะ่ะอย่างนี้เราไม่ได้เป็นภรรยาที่ดีหรือไม่เจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเราจะให้คำนิยามว่าภรรยาที่ดียู่อย่างไร แต่เราว่าภรรยาที่ดีต้องร่วมหลับนอนกันก็ถือว่าไม่ดีแต่การเป็นภรรยาที่ดีนี้ไม่จำเป็นจะต้องร่วมหลับนอนกันก็ได้เป็นเพื่อนที่จะคอยดูแลกันอันนี้ก็เป็นภรรยาที่ดีได้คอยเลี้ยงดูเขาให้เขามีสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายแข็งแรงมีปัจจัยสี่มีอะไรพร้อมอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะไปตั้งคำนิยามว่าจะ ดีตรงไหนก็ต้องถามสามีดีกว่าเพราะสามีจะเป็นคนให้คะแนนไม่ใช่เราเราถ้าสามีเขาชอบร่วมหลับนอนเขาก็จะให้เราศูนย์คะแนนสูงถ้าเราไม่ร่วมหลับนอนกับเขาแต่ถ้าเขาอยากจะมีเพื่อนคอยเลี้ยงดูเขาเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนพี่หรือเป็นเหมือนน้องที่จะคอยอคอยดูแลกันเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรเขาก็อาจจะว่าเราเป็นภรรยาที่ดีก็ได้น จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าเราไปทำบุญและอุทิศหรือคิดถึงคนที่เรารักและขอส่วนบุญไปให้เขาเขาจะได้รับหรืด้วยไหมคะหมายถึงคนอุทิศให้คนที่เป็นคนนะคะไม่ใช่คนตายใช่ไหมะ อ, อ๋อบุญอุทิศนี่มันนิดเดียวอ่ะคนเป็นนี่ไปทำเองจะได้เยอะแยะกว่าเป็นงานที่ให้ขอทานบุญที่ให้อุทิศไปนี้ พพวกที่เรารับเป็นพวกขอทานกันเวลาเราให้เงินขอทานเราให้เขามากหรือเปล่ววาเราก็ให้ตามฐานะของเขายัาในใดบุญที่เราให้กับคู่ที่ล่วงรับไปแล้วก็เป็นบุญที่เราให้ขอทานยัในให้ให้ไปไม่มากแต่ก็ยังดีกว่าเพราะเป็นทางเดียวที่คนที่ตายไปแล้วจะสามารถรับบุญได้ก็บุญที่เราอุทิศไปให้เขาเท่านั้นเองแต่ถ้าเขามีชีวิตอยู่เขาทําเองจะได้เยอะกว่ายัาน ถ้าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็บอกพี่ไปทำบุญเถิดนะแล้วเขาก็จะได้บุญคำถามจากคุณยายรสาค่ะถ้าลูกปฏิบัติแล้วรู้สึกซึมซึมทื่อๆต้องทำอย่างไรต่อเจ้าค่ะก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้นประแรงว่าสติยังน้อยกิเลสมันเป็นตัวทำให้เราซึมให้เราทื่อ แต่ถ้าเราปฏิบัติไปมีสติมากขึ้นเราก็จะกดตัวตัวที่ทำให้เราซึมให้เราทื่อนี้หายไปได้แล้วเราจะมีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานจากการฝึกสติได้แต่ตอนต้นมันเรามีสติน้อยกว่ากิเลสกิเลสมีกำลังมากกว่ามันก็จะผลิตอาการที่ไม่ดีต่างๆเพราะมันต้องการล้มการปฏิบัติของเราไม่อยากให้เราปฏิบัติ คำถามจากคุณพรพรมค่ะเราจะหยุดความสุขความทุกข์ได้อย่างไรครับก็อยู่ที่เหตุสิเหตุของความสุขความทุกข์ก็อยู่ที่การคิดดีพูดดีทำดีแล้วคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนี่เองถ้าคิดดีพูดดีทำดีก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคาถามจากคุณวานิศการสวด เอสาหังถ้าจําไม่ได้ควรใช้วิธีไหนครับก็แล้วแต่วิธีที่เราจะไปสวดเนี่ยก็เปิดหนัง ส, หนงสือดูหนังสือหนังสือ ด, ดูสวดไปทำไมเอสาหังนี่มนันเป็นการบวชเนี่ยถ้าจะบวชก็ต้องไปติดต่อกับวัดที่เราจะบวชแล้วถามเขาว่าเขาจะให้เราสดวดบทไหนแล้วก็เอาหนังสือที่เขาจะให้เราสวดนั้นไปหัดท่องไปคําถามจากคุณทองใบ บางวันนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็นิ่งบางวันต้องใช้เวลานานถึงจะนิ่งจะต้องปฏิบัติอย่างไรดีเช้าคะก็บางวันสติน้อยมันก็ไม่นิ่งวันไหนสติมากมันก็นิ่งหรือบางวันเรื่องมากมันก็ไม่นิ่งบางวันเรื่องน้อยมันก็นิ่งแมันมีปัจจัยหลายอย่างสติก็สติมากน้อยก็เป็นเหตุเรื่องราวในแต่ละวันที่มีมากมีน้อยก็เป็นเหตุถ้าวันไหนเรื่องมากเครียดมาก นั่งสมาธิก็นิ่งไม่นิ่งว่าไหนไม่มีเรื่องให้เครียด น, นั่งสมาธิปุ๊บก็สงบได้มันก็มีทั้งสติและทั้งเหตุการณ์ที่จะเป็นตัวชี้บง่งบ่งชี้ว่าจะได้ผลอย่างไรจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะจะทำยังไงดีเจ้าคะบางครั้งรู้สึกเหงาเศร้าใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกแม้แต่จะพูดโทร ก็ช่วยไม่ได้ค่ะต้องออกไปหาที่ที่คนเยอะๆแล้วห่อยกลับเข้าบ้านเจ้าค่ะช่วยได้เพีเยงแต่เราไม่ให้มันช่วยเราเท่านั้นเองเราไม่ใช้พุโทโธถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปทุกลมหายใจก็อย่าปล่อยให้มันไปคิดอะไรเดี๋ยวมันก็หายซึมหายเศร้าแต่ถ้าไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมามันก็เป็นเหมือนเดิมอีกเองออกไปหา ย, เ ด, ยเดี๋ยวกลับมาก็เป็นใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายขาดก็ต้องไม่ออกไป เวลามันอยากอย่าไปทําตามความอยากใช้สติหยุดมันถ้าสติหยุดมันได้ต่อไปมันจะไม่มันโผล่ขึ้นมาเราก็จะหยุดมันได้ทุกครั้งไปคําถามจากคุณเตยเอทเมื่อร่างกายมีความเจ็บปวดเกิดเจ็บปว่วยเกิดขึ้นเราจะมีวิธีพิจารณาความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างไรเจ้าคะพิจารณาที่ความเจ็บที่เกิดขึ้นพิจารณากายความไม่เที่ยงหรือพิจารณาจิต ที่บังคับบัญชาไม่ได้เพื่อบรรเทาความเจ็บที่เกิดขึ้นคะ อ, อ๋อก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยความเจ็บไม่ใช่เราเราไม่ได้เจ็บผู้ที่เจ็บคือร่างกายร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นเหมือนคนไข้เราเป็นเหมือนหมอเวลาหมอไปตรวจโรคไข้ใข้เจ็บของคนไข้หมอหมอเจ็บไปกับคนไข้หรือเปล่าหมอก็รู้ว่าร่างหมอก็รู้ว่าคนไข้เจ็บ หมอก็ปลอบใจคนไข้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายกินยาเดี๋ยวก็หายหมอไม่ได้เจ็บไปด้วยเพราะหมอรู้ว่าหมอไม่ได้เป็นคนไข้แต่เราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเป็นคนไข้พอร่างกายเป็นอะไรเราก็เลยเจ็บแทนร่างกายทั้งที่ร่างกายมันเจ็บแต่มันไม่รู้ว่ามันเจ็บมันไม่เดือดร้อนร่างกายมันไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของมันแต่เรากลับไปเดือดร้อนแทนมันเพราะเราไปหลงคิดว่าเราเป็นมัน เราต้องมาแก้วความหลงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนเลี้ยงดูร่างกายเป็นเห birth, มือนพยาบาลเป็นเหมือนหมอร่างกายไม่สบายก็หายาให้ pper, หมันกินมันเจ็บก็บอกว่าเดี๋ยวก็หายมันอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับเวลามันอยู่ก็อย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากหายแล้วคนดูจะทุกข์เพราะคนคนที่อยากให้หายไม่ใช่ร่างกายคนที่อยากจะให้หายก็คือคนดูก็คือใจ ดังนใจต้องดูเฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายแต่ก็รักษาไปไม่ใช่ไม่ให้รักษารักษาแต่อย่าไปอยากอย่าใช้การอยากเป็นการรักษาการอยากไม่ได้เป็นการรักษาต้องใช้ยาเป็นการรักษาส่วนจะหายไม่หายก็ต้องอยู่ที่อํานาจของยาอยู่ที่เวลาถ้ายังไม่หายก็อยู่กับมันไปอย่างนี้ใจก็จะไม่ทรมานใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย คำถามจากคุณธเนรรัตน์ค่ะระหว่างการทําบุญสร้างพระสร้างโบสถ์วิหารกับการที่ได้ดูแลอุปถัมภ์ดูแลสงฆ์พระอรหันต์อย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันเจ้าคะบุญที่เร า, ท, เราที่เราที่เราทําเนี่ยมันทำกับใครก็ได้เท่ากันอยู่ที่การเสียสละของเราว่าเราเสียสละมากเสียสละน้อยเสียสละมากเราก็จะได้บุญมาก แต่ประโยชน์ของบุคคลที่เราไปทำด้วยนี่ก็อยู่ที่ความสามารถของบุคคลนั้นว่าเขามีความสามารถมีการทำประโยชน์ของเขาได้มากได้น้อยอันนี้ก็อยู่ที่บุคคลที่เราไปทำด้วยเช่นเขายกตัวอย่างว่าทำบุญกับพระธรรมดาก็ทำประโยชน์ได้หนึ่งเท่าทำบุญกับพระโสดาบันก็ทำประโยชน์ได้สิบเท่า เพราะพระโสดาบันมีความราู้ความสามารถมากกว่าพระปุต да. ุชนทำบุญกับพระสกิดาคามีก็ทำประโยชน์ได้ร้อยเท่าเพราะมีความรู้ความสามารถมากกว่าพระโสดาบันทำบุญกับพระอนาคามีก็จะได้ประโยชน์พันเท่ามากกว่าพระสกิรดาคามีทากับพระอรหันต์ก็ได้มากกว่าพระอนาคามีทำกับพระพุทธเจ้าก็ได้มากกว่าพระอรหันต์ เราความสามารถในการทำประโยชน์ของบุคคลเหล่านี้มีความแตกต่างกันไปอันนี้เป็นประโยชน์ของผู้ที่เราไปทเขาไปทำให้เราทำให้เราหรือทำให้กับผู้อื่นแต่บุญคือความสุขใจอิ่มใจนี้ไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่รับอยู่ที่ปริมาณของการเสียสละของเราเสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยความรู้สึกสุขใจก็จะน้อยกว่าที่เสียสละมาก เสียสละมากก็จะมีความสุขใจมากขึ้นบุญคือความสุขใจอันนี้วัดด้วยการเสียสละของเราส่วนประโยชน์ของบุคคลที่เราไปทําด้วยนั้นวัดที่ความสามารถของบุคคลที่เราไปทําว่าเขามีความสามารถที่จะทําประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรคําถามฝากถามค่ะถือศีลศีลแปดแล้วกลับบ้านเจอหมาที่เราเลี้ยงไว้เป็นตัวผู้ มันมาเล่นกับเราจะผิดศีลไหมเจ้าคะไม่ผิดเราถ้าไม่ไปนอนกับมันแต่ไม่ควรไปแตะมันเดี๋ยวเกิดอารมณ์ขึ้นมาที่เขาไม่แตะต้องพวกเพศตรงกันข้ามเพราะเดี๋ยวมันเหมือนไฟจะช็อตเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการการ ม, มาตัญหาในใจได้เห็นถ้าไม่จาเป็นอย่าไปแตะต้องกันอย่าไปมองหน้ากันอย่าไปเห็นกันอย่าไปพูดไปคุยกันเพราะเดี๋ยวมันจะ จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดกามาตัณหากามาราคะขึ้นมาได้คำํำถามค่ะข้าพเจ้าได้ขับรถชนสุนัขเสียชีวิตหนึ่งตัวตอนขับไปต่างจังหวัดมีสุนัขข้ามถนนตัดหน้ารถมากระชันชิดพยายามเบี่ยงรถข้ามแต่ไม่พน้นพอจอดรถมาดูจะนําเขาไปโรงพยาบาลเขาก็เสียชีวิตคําถามแรกข้าพเจ้าจะบาป หรือผิดศีลข้อปานาหรือไม่เจ้าคะและจะมีกรรมต่อกันไปอีกไหมเจ้าคะไม่มีหล้วเพราะว่าเราไม่มีเจตนาคือเราไม่บาปคือข้อข้อที่หนึ่งคือไม่บาปเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าเขาแต่กรรมเวรนี้อยู่ที่หมาตัวนั้นว่าเขาโกรธเราเปล่าถ้าเขาโกรธเราเขาจาเราได้เขาก็อาจจะมาล้างแค้นก็ได้เพราะเราไปฆ่าเขา คำถามข้อสองค่ะขณะที่เขายังไม่เสียชีวิตข้าพเจ้าพยายามทำจิตสงบแผ่เมตตาและข อ, อโหสิกรรมต่อกันและเมื่อเขาเสียชีวิตก็อุทิศกุศลให้เขาทันทีโดยเฉพาะระลึกถึงบุญที่กำลังจะไปถวายทองคำสองบาทแด่หลวงปู่อุลล่าเพื่อหล่อพระทองคำเจ้าค่ะเขาจะได้รับส่วนกุศลจากข้าพเจ้าใหม่เจ้าคะถ้ายังไม่ทํายังไม่ได้รับหรอกต้องไปทาก่อนถึงอุทิศได้ อถ้ายังไม่ทําบุญยังไม่เกิดะกุศลยังไม่เกิดต้องรอไปทําบุญเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยอุทิศไปเขาจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในสถานะไหนเขาอาจจะพ้นจากการเป็นเดรัจฉานแล้วไปรับผลของไปเกิดเป็นมนุษย์เขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญที่เราส่งไปก็ได้คําถามฝากถามมีคนมาขอยืมเงินจำนวนหนึ่งเจ้าค่ะ เราก็ให้ไปด้วยเห็นว่าสนิทสนมกันน้องเขาไม่ได้คืนเงินแล้วเราก็ไม่ได้ทวงถามแต่ปรากฏว่าเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่น้องเขาไปทาแทง้งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้เงินส่วนนั้นซึ่งเราเองก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ได้ซักถามไปถ้าเป็นจริงเราจะบาปไหมเจ้าคะควรจะทำอย่างไรดีคะเราไม่บาปหรอกถ้าเราไม่รู้ถ้าเขาไม่ได้มาบอกว่าขอยืมเงินเพื่อไปทาแท้งนี้เรา ให้เขาไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรนี้มันไม่เราไม่บาปแล้วเขาเป็นคนที่จะไปใช้เงินนั้นเป็นคนที่ทําบาปเองนอกจากว่ามาสมรู้ร่วมคิดกันมาขอร้องให้ช่วยเหลือช่วยขอเงินไปทําแท้งอย่างเงี้ยถ้าเราช่วยเหลือเขาแล้วก็มีส่วนร่วมในการทําบาปด้วยอย่างนั้นก็บาปอีกคําถามค่ะพ่อเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองใครก็ไม่ยุ่งไม่ได้จะทะเลาะ ก, กันตลอด ทั้งคนในบ้านและนอกบ้านต้องมีเรื่องให้จัดการตลอดถ้ามีเรื่องขึ้นโรงพักหรือคู่กรณีมาหาเรื่องเรื่องที่บ้านแม่ก็จะกลุ่มใจตลอดกรณีนี้ถ้าเราไม่อยากสนใจอยากย้ายไปอยู่ที่อื่นคนเดียวจะเป็นการทิ้งภาระให้คนอื่นหรือเปล่าคะหรือมีทางออกที่ดีกว่านี้คะก็แล้วแต่ว่าเรามีภาระต้องทำหรือเปล่าถ้ามีภาระเราไปก็เท่ากับทิ้งภาระ ถ้าเราไม่มีภาระต้องทํำเราไปก็ไม่ได้ทิ้งภาระถ้าเราต้องอยู่เราก็ต้องหัดทําใจนั่นเองฝึกใจให้วางเฉยฝึกสตินั่งสมาธิสอนใจว่าเหตุการณ์ของคนอื่นนี่เป็นเหมือนอาการการเกิดขึ้นของธรรมชาติของลมของของลมของน้ํางนี้ฝนตกแดดออกเราไปควบคุมบังคับไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ ถ้าเราไม่ไปมีความอยากกับมันก็ปล่อยมันมันจะตกก็ปล่อยมันตกแลดจะออกก็ปล่อยมันออกไปคนจะทำอะไรก็เหมือนกับฝนตกแดดออกเราจะทำมีเรื่องมีราวอะไรกับใครก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปอยากให้เขาไม่ทำแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเพราะเราอยากให้เขาสงบอยากให้เขาไม่ไปทำเรื่องเท่านั้นเองงั้นเรามาฝึกจิตของเราให้ปล่อยวางให้นิ่งเฉย ให้ยอมรับความจริงว่านี่เป็นธรรมชาติของเขาเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แต่เราอยู่กับเขาได้อีกคําถามครับอาจารย์กราวเดียนถามพระอาจารย์ว่าใจของเราไม่มีวันดับสูนแล้วใจของเราเคยเกิดไหมครับใจของเราอยู่ภายใต้กฎไตรักหรือไม่ครับก็มันเกิดเนี่ยก็บอกไ ป, ไ ป, ไปเป็นต่างๆเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานก็ใจนี่แหละไปเป็น ไปได้ร่างกายของเดรฉานก็เป็นเดลฉานได้ไปได้ร่างกายของมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาทําบุญมีความสุขเวลาไม่มีร่างกายก็เป็นเทวดานี้ก็เป็นการเกิดนะครัก็ใจมันก็เกิดมันยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่มันก็ยังเป็นตายลักอยู่ถ้ามันไม่เปลี่ยนแล้วมันเป็นนิพพานไปแล้วมันก็มันก็ไม่ได้เป็นตายรักแล้กบเรียนหาพระอาจารย์ค่ะ ด้วยเรื่องที่มีข่าวมีคนหมิ่นพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ประสูติมาแล้วเดินได้เจ็ก้าและที่เขาบอกคือเด็กที่ไหนเกิดมาเดินได้เจ็ดเก้าคือเพราะเขาไม่รู้ว่าเจ็ดเก้าไม่ใช่การเดินแต่เป็นเพราะวันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าประสูติมีเจ็ดสิ่งเกิดมาพร้อมกันรบกวนพระอาจารย์อธิบายเจ็ดสิ่งที่เกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้าด้วยชัวย่วคาโอ อ, อย่าไปรู้เลยไม่สําคัญหรอก พระพุทธเจ้าจะเกิดเราเดินหรือไม่เดินมีอะไรปรากฏขึ้นมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกสิ่งที่เกี่ยวกับเราก็คือว่าเราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือเปล่าให้เชื่อแค่นี้ก็พอเรื่องอื่นไม่ต้องไปเชื่อเพราะบางทีมันพิสูจน์ไม่ได้เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเรามาพิสูจน์เรื่องที่พิสูจน์ได้ดีกว่าคือการปฏิบัติตามคําสอน จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือเปล่าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือเปล่าให้มาสนใจเรื่องอย่างนี้ดีกว่าเพราะเราพิสูจน์ได้คำถามที่สองจากท่านเดิมค่ะเราสามารถทำบุญและอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรบุคคลอื่นของบุคคลอื่นได้ไหมคะถ้าบุคคล น, นั้นเป็นผู้มีพระคุณกับเราเพราะมีหลายๆคนเห็นว่ามีคนตามเขา ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีแต่มีคนหลายๆคนเห็นว่ามากับเขาและตามเขาแบบนี้เราสามารถอุทิศบุญไปให้คนหรือสิ่งที่ไม่ใช่คนที่ตามคนคนนั้นได้ไหมเจ้าคะคือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไปเป็นเปรตเขาก็เขาก็จะรับส่วนบุญแต่ถ้าไปเป็นอย่างอื่นเขาก็ไม่รับ ถ้าไปเป็นเทวดาเขาก็ไม่รับไปเป็นมนุษย์เขาก็ไม่รับเป็นเดรัจฉานเขาก็ไม่รับไปเป็นอสุรลกายไปเป็นนรกเขาก็ไม่รับมีพวกเดียวที่มา ร, รับส่วนบุญก็คือพวกเปรตเนีย่ยฉนั้นเราอุทิศส่วนบุญให้กับพวกเปรตได้เท่านั้นเองส่วนที่คนนั้นไปว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็เป็นเรื่องของเขาเขาพูดไปจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้เวลาเราอุทิศบุญเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราอุทิศเขาเป็นเปรตหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ แต่แล้วก็ทําไปเพื่อความาประกันไว้เผื่อไว้เผื่อเขาเป็นนะเผื่อเขาหลอรับแล้วเราไม่รู้ว่าเขาหลอรับเราก็ทําเผื่อไปถ้าเขาไม่รอรับก็ให้เปรตัวอื่นไปมันมีเปรที่ ม, ทมีที่มีที่มีมีญาติที่ไม่ได้อุทิศบุญให้เขาเยอะแยะไปเพราะมีพวกที่ไม่เชื่อว่าตายไปแล้วจะไปเกิดต่อจะไปเป็นเปรต่อเขาก็จะพอญาติเขาตายไปเขาก็ไม่ไปทําบุญให้ เราก็ทำแทนญาติเขาไปก็ได้เวลาเราอุทิศเราก็บอกว่าขออุทิศให้ในายกอก่อนถ้าเราอยากจะให้ในายกอก็อุทิศให้ในายกอก่อนถ้านายกอไม่รับไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะรับก็ให้ในายขอไปเรือต่อไปเรื่อยๆจนถึงใครก็ได้ อ, อันนี้เราอุทิศได้คำถามจากคู่แดงสารคามค่ะการที่เราทาสมาธิทุกวันแต่เวลาที่ทาไม่แน่นอน และช่วงหลังๆจะทำได้ไม่ค่อยนานเนื่องจากมีภาระมากการทำสมาธิที่ทำหรือการฝึกจิตของเราอย่างนี้มีโอกาสพัฒนาขึ้นหรือลดถอยลงครับอก็อยู่ที่การกระทำของเราทำมากก็พัฒนาทำน้อยก็ถอยลงไปอยู่ที่เหตุเหมือนทำงานเนี่ยทงานหนึ่งวันกับทำงานหนึ่งเดือนนี่ยรายได้มันต่างกันไหมนะ <laughs> คำถามจากคุณบีค่ะเวลาแผ่เมตตาเราจาเป็นต้องแผ่เมตตาให้พยาธิพยาธิในร่างกายเราด้วยหรือไม่เจ้าคะไม่เราแผ่ตอนที่เราเจอกับคนที่เราพบปะกันคนหรือสัตว์อย่างเดเราาน่าฉานเจอหมาก็แผ่ให้มันเจอแมวก็แผ่ให้มันเจอคนก็แผ่ให้มันส่วนพยาธิไม่ต้องไปแผ่ให้มั น, ม, นมันไม่รับรู้คาถามจากยู u ูบเจ้าค่ะ จากคุณพาคินผมเห็นกวางถูกรถชนเจ็บหนักแล้วมีฝรั่งคนหนึ่งลงมาแล้วว่าฉันต้องฆ่ามันแล้วก็ฆ่าอย่างนี้ฝรั่งคนนั้นจะบาปไหมครับบาปเขาคิดว่าได้ช่วยให้มันพ้นจากความทรมานความเจ็บปวดแต่เขาเป็นคนไปฆ่าเขาเขาก็บาปการสิ่งต้องปล่อยให้มัน เจ็บปวดของมันไปตามบุญตามกรรมของมันเองอันนี้คำถามหมดเจ้าค่ะแต่คนจะไม่เข้าใจคนคิดว่า <c oughs> ต้องทําให้เขาตายก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปทําบาปแล้วต่อไปตัวเองก็จะถูกเขาทําอย่างนี้กลับมาเวลาตัวเองเป็นอะไรก็แทนที่จะมาช่วยรักษาก็กลับจะมาฆ่าเพื่อให้ให้ตายเร็วๆ อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดคือเขาไม่รู้ว่าใจของกวางตัวนั้นเป็นอย่างไรกวางบางตัวเขาอาจจะมีสติดีเขาอาจจะนิ่งสงบก็ได้โดยเขาทรมานก็เป็นเรื่องของเขาการไปฆ่าเขาก็ไม่ได้ไปทำให้การทรมานมันหมดก็เดี๋ยวเขาต้องกลับไปเกิดใหม่เขาก็ต้องไปเจออาการ แก่เจ็บตายใหม่อยู่ดีดังนั้นการจะช่วยเขาไม่ได้ไม่ได้ช่วยด้วยการไปฆ่าเขาที่เราไปทำนี้เพราะว่าเราทนเองตัวเราทนดูเขาไม่ได้มากกว่าหมดแล้วเลยอมดชุกค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่คนอาจจะไม่เข้าใจกันเขาคิดว่าเห็นใครทรมานแล้วก็ช่วยให้เขาตาย เขาจะได้ไม่ทรมานแต่เขาไม่รู้ว่าใจของคนนั้นของบุคคล น, นั้นหรือสัสตว์นั้นเป็นอย่างไรเขาอาจจะไม่ทรมานก็ได้เขาอาจจะยอมรับกรรมของเขาเดิมบางทีเ็าอาจจะมีโอกาสหายได้หรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ควรที่จะไปทำลายชีวิตของผู้อือน่นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเพราะการทำลายชีวิตไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา ต้นเหตุของปัญหาคือความอยากต่างๆกวางตัวนั้นตายไปมันก็ยังมีความอยากอยู่มันก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาทําบุญทําบาปใหม่แล้วก็ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อยู่ดีถ้าอยากจะแก้ปัญหาต้องไปแก้ปัญหาที่ความอยากแล้วการไปฆ่าเขานี้ก็อาจจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมกันก็ได้กวางตัวนั้นแทนที่จะขอบใจอาจจะโกรธเราก็ได้ เดี๋ยวชาติาหน้าเจอกันเขาอาจจะอยากจะมาฆ่าเราก็ได้เหมือการทาอะไรกับใครไม่ว่าจะมีเจตนาดีหรือไม่มันไม่ที่ทเจตนามันอยู่ที่การกระทาเจตนาดีแต่ไปฆ่าเขาองนี้อันนี้คนที่เขาถูกฆ่าเขาอาจจะไม่เห็นว่าเป็นเจตนาดีก็ได้เหตน้นต้องระมัดระวังเรื่องของการไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่น เพราะชีวิตของคนทุกคนนี้มีมีค่าสำหรับ ข, ของของตนไม่อยากจะให้ใครมาทำลายทำา้ายหรือถ้าอยากจะทำร้ายก็ปแสดงว่าจิตนั้นวิปรารถไปแล้วจิตไม่เห็นคุณค่าของชีวิตเพราะจิตอยากจะให้มีแต่ความสุขพอชีวิตมีความทุกข์ก็จะฆ่าถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาเกิดทุกภพทุกชาติก็จะต้องมาฆ่าตัวเองอยู่เรื่อย เพราะทุกภพทุกชาติมันจะต้องมีความเจ็บมีมีโรคภัยไข้เจ็บมีความไม่สบายความความทุกข์ทางร่างกายถ้าไม่รู้จักยับยัง้งจิตใจมันก็จะต้องค่าอยู่เรื่อยๆฆ่าด้วยความอยากเมื่อมีความอยากมันก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆต้องหยุดความอยากค่าวิภวตันหานี่ภาวะตันหายากอยู่ พอนั่งกายไม่ดีก็อยากให้มันตายก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้ามีตัณหามันก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆต้องหยุดทั้งสามตัณหาการมาตัณหาก็ต้องหยุดภาวะตัณหาอยากอยู่ก็ต้องหยุดวิภวะตัณหาอยากตายก็ต้องหยุดให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันให้เป็นร่างกายมันตายไปของมันเองอย่าให้เราเอาความอยากมาเกี่ยวข้องเพราะความอยากมันจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ มีคําถามเข้ามายังยังไม่มีเดี๋ยวขอกินน้ําก่อนกายอยากจะถามไหม้ยกมือขึ้นมาถามก็ได้นะ น, นเรื่องของร่างกายนี้เราต้องยอมรับว่ามันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์เช่นเราเจ็บไายด้วยป่วยด้วยโรคร้ายถ้าเรารู้จักทําใจให้สงบเราก็จะไม่เดือดร้อน อันนี้เป็นวิธีที่ปฏิบัติกับร่างกายที่ถูกต้องเพราะใจสงบก็จะไม่มีความอยากที่จะไปทำอะไรเราก็จะละเอาความอยากไปในตัวด้วยเราก็ไม่ทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกายแล้วมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือต้นเหตุที่ทำให้เราต้องมาแก่มาเจ็บมาตายก็คือความอยากนี่ไม่ว่า แต่ถ้าเรามาเจอความแก่ความเจ็บแล้วก็ฆ่าตัวตายไปนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาเพราะความอยากเกิดมันยังมีอยู่ยังอยากใช้ร่างกายยังอยากมีร่างกายยังมีอยู่มันก็จะกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆการที่จะหยุดการเกิดการที่จะหยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ได้ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นและการจะไม่เกิดก็ต้องหยุดความอยากสามตัวนี่หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลประพ เกิดความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่แล้วความอยากไม่ได้นั่นอยากไม่มีนี่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้มันจะทําให้ใจดิ้นทอดิ้นมันก็จะดิ้นไปเกิดเปลี่ยนร่างกายใหม่เรู่ด้วยเพราะร่างกายเก่าไม่ดีก็ฆ่ามันแล้วก็เดี๋ยวก็พอฆ่ามันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ก่อนจะไปมีร่างกายก็ต้องไปรับกรรมก่อนเพราะไปฆ่า ไปละฆ่าตัวเองก็บาปเหมือนกันก็ต้องไปเกิดเป็นอสูรลกายเพราะกล้าด้วยความกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายก็เลยฆ่าตัวเองก็ไปเป็นอสูรลกายทําบาปด้วยความกลัวถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทาบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกเนี่ยเห็นอย่าทําบาปไม่ว่าจะ มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายปล่อยมันร่างกายเราสามารถไม่เดือดร้อนกับร่างกายได้ถ้าเรารู้จักควบคุมใจให้สงบรู้จักปล่อยวางหมดแล้วยังมีมีคำว่าคำถามหนึ่งค่ ะ, ะคำถามจากคุณสุเทพนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาได้ไหมครับมันไม่มีไม่มีไม่มีอะไรจะแผ่ก็จะการแผ่เมตตาต้องแผ่กับเวลาที่เจอกัน แผด้วยการกระทําไม่ใช่แผดด้วยการนั่งสมาธิเวลาคนเขาเดือดร้อนเราไม่ช่วยเหลือเขานี่มันก็ไม่ได้แผดเมตตา üyor. เวลาเขาเดือดร้อนแล้วเราช่วยเหลือเขานี่เรียกว่าเราแผ่เมตตาเวลาเขาไม่มีข้าวกินเราเข้าวให้เขากินเรียกว่าวแผดเมตตาไม่ใช่ไปนั่งสมาธิหลอกว่าฉันแผดเมตตาให้คุณนะนะไม่ได้แผ่นดการแผดเมตตานี่ต้องแผดด้วยการกระทํำ มีข้าวของเงินทองก็แบ่งให้กันเสียสละแบ่งปันกันอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาหรือเวลาเขาทำให้เราโกรธก็ให้อภัยเขาหรือว่าเวลาเราอยากทำอะไรก็อย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนทางกายหรือทางใจงนี่เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันคาถามจากคุณอดีตช่างมันค่ะ จะควบคุมจิตไม่ให้คิดทำได้ไหมครับถ้าจิตคิดจะทำอย่างไรครับก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธมันก็จะคิดกับเรื่องอื่นไม่ได้เพราะจิตเราไปคิดสองเรื่องพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมคิดบวกคิดทำคิดทาอาหารแล้วก็คิดไปเที่ยวพร้อมกันจองโรงแรมก็ทำอาหารพร้อมกันได้ไมัไม่ได้มันต้องทาเรื่องที่เราเรื่องอยากจะจองโรงแรมก็เอา จัดการเรื่องโรงแรมให้มันเสร็จอยากจะกินอาหารร้านไหนก็ไปเช็คจองที่จองอะไรนี่ก็มันมันต้องทําดีละเรื่องต้องคิดทีละเรื่องยังถ้าเราหยุดถ้าเราคิดอยู่กับพูดโทรพูดโทรมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ดีวิธีหยุดความคิดก็คือเอาความคิดไอ้ความคิดเองมามากรบมันเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเนี่ยเปลี่ยนความคิดก็เท่ากับหยุดความคิดที่เราต้องการไม่ให้มันคิดได้ พอมันคิดเรื่องที่เราไม่ชอบไม่อยากจะคิดเราก็พุทธโอพุทธโอพุทธโอไปเหมือนเล่นเล่นแผ่นเสียงอพังแผ่นนี้เพลงไม่เพาะก็เปลี่ยนแผ่นหมาได้ไม่ใช่นอะหรือดูดูทีวีใช่ไหมดูช่องนี้มันไม่สนุกก็กดรีโมดดูอีกช่องได้มันก็เปลี่ยนช่องทั้งเองใจเราก็เหมือนทีวีเหมือนรีโมดเนี่ยพอเราไปเจอเรื่องที่เราไม่ชอบดูแล้วก็กดรีโมดเปลี่ยนมัน พอไปคิดเรื่องที่เราไม่ชอบก็เปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนมาพุทโธพุทโทเปนแต่ช่องนี้มันหายากแค่ไหน <c oughs> มันไม่ค่อยมา <c oughs> กดเท่าไหร่มันไม่มาท <c oughs> มันชอบกลับไปไอช่องเก่าเนะี่ะไอช่องที่เราไม่อยากจะดูมันชอบกลับไปหามันเรื่อยนี <c oughs> เราต้องมาหัดมาจูนหัดจูนรีโมทของเราให้เจอ <c oughs> ให้เจอช่องนี้ให้ได้เพราะเวลาเราจะเปลี่ยนช่องเราจะได้เราจะได้เปลี่ยนได้ เราต้องหัดพุดโทโธไว้ก่อนต้องขยันหัดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนความคิดเราก็จะเปลี่ยนได้<ำ>หมหรือยังเอาค ำ, คำถา ม, ถามสุดท้ายคาถามจากคุณศักชัยคะ่ะทำอย่างไรจะทำให้ใจมีความเมตตาตลอดเวลาครับ อ, อ๋อก็ต้องแผ่เมตตาตลอดเวลามีขนมก็แจกกันตลอดเวลา เ, ออเจอใครก็ยิ้มให้กันตลอดเวลา ใครดา่าเราก็สาธุตลอดเวลาอย่าไปคิดโกรธอย่าไปทำร้ายผู้อื่นอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นก็จะมีความเมตตาตลอดเวลาเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงมีแต่จงขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ